เรื่องพระอานนุ์461สมัยนั้นอัตเรกจีวรเกิดขึ้นแก่ท่านพระอานนท์ท่านต้องการจะถวายอัตเรกจีวรนั้นแก่ท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรอยู่ที่เมืองสาเกตทีนั้นท่านพระอานนุ์ได้มีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงทรงอัตเรกจีวรก็อัตเรกจีวรนี้เกิดขึ้นแก่เรา เราต้องการจะถวายท่านพระสารีบุตรแต่ท่านอยู่ที่เมืองสาเกตเราพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอีกนานเพียงไรสารีบุตรจะกลับมาพระ น, นกลกราบทูลว่าอีกเก้าหรือสิบวันจึงจะกลับมาพระพุทธเจ้าข่า